พระธรรมที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าสอนเป็นคำสอนที่เรียกว่าสอนเพื่อความดับทุกข์ น, นะสอนเพื่อความพ้นทุกข์อย่างเมื่อวานาที่พระองค์บอกว่าทั้งเมื่อก่อนและบัดนี้เราก็กล่าวถึงความทุกข์กับความดับทุกข์นั่นซึ่งทุกข์ทั้งหลายก็มีเหตุเป็นแดนเกิดความดับทุกข์ก็มีข้อปฏิบัติเพื่อความดับทุกข์ก็คืออริยสัจนั่นเองอการ ปฏิบัติที่สําคัญเนี่ยนะก็คือการปฏิบัติเพื่อความดับทุกข์การปฏิบัติเพื่อความดับทุกข์นั้นที่สําคัญมากก็คือต้องรู้จักรู้จักทุกข์ก่อ น, นะนะอ่ะนะความสําคัญมากก็คือรู้จักทุกข์ถ้ารู้จักทุกข์แล้วก็สามารถที่จะขุดรากเหง้าแห่งความทุกข์หรือว่าทําลายต้นเหตุสมุทฐานอาหารแห่งความทุกข์ได้สมุทฐานหรืออาหารของเหตุแห่งความทุกข์ก็คืออะไรโลภะโทสะและ โมหะโลพาโทสะโมหะนั่นแหละเป็นมูลเป็นปัจจัยเป็นอุปนิสัยเป็นอาหารที่สำคัญแห่งวัตทุกข์ทั้งปวงที่นี่บอกว่าเอาละโลพาซีละโทสะซีละโมหะซีบอกละได้ไม่ง่ายหรอกเปรียบเหมือนต้นไม้ที่มีรากมั่นคงดีลำต้นใหญ่หญโ ต, โตนเนี่ยนะแล้วก็เป็นต้นที่แข็งแรงเหมือนกับต้นอมตะนั้นแหละ ถ้าหากว่าไม่มีวิธีการที่ดีและเพียงพอเนี่ยนะยากที่จะขุดรากถอนโคนต้นไม้ชนิดนั้นได้ฉันใดความทุกข์ทั้งหลายก็เหมือนกันเนี่ยนะมันก็เป็นกองทุกข์ที่ใหญ่โตมากแล้วก็อย่างรากฝังลึกเนี่ยนะผลิต ด, ดอกออกผลมาเป็นวาตะผลิต ด, ดอกออกผลมาเป็นสังสารทุกเนี่ยนะก็ผลิตผลิต ด, ดอกออกผลมาเป็นดอกเบีย้ยเนี่ยนะก็แปลว่ากองกองทุกข์ก้อนทุกเนี่ยนะที่ที่มันเป็นไปอยู่ อันการที่จะขุดรากถอนโคนเนี่ยนะขุดรากถอนทุกเพื่อความดับทุกนั้นพระพุทธเจ้าก็แ ส, ด, สดงวิธีการขุดรากถอนโคนทุกเนี่ยโดยวิธีการต่างๆโดยประการต่างๆตามแต่บุญตามแต่วาสนาตามแต่อุปนิสัยเนี่ยนะตามแต่อัธยาศัยของสัตว์ทั้งหลายว่าสัตว์ทั้งหลายเขาจะดับทุกขหรือว่าถอนรากถอนรากถอนโคน เหตุให้เกิดทุกนั้นโดยวิธีการใดๆอย่างเช่นในมัชฌิมนิกายมูลปัญธามันนี่มาขึ้นวอมมิกสูตรวักนี้ส่วนใหญ่แล้วเป็นเกี่ยวกับเรื่องอุปมาเกือบทั้งหมดเนะเป็นอุปมาทั้งหมดเลยเพราะฉันไอความที่พระสูตรเนี่ย เ, เป็นเป็นอุปมาเนี่ยนะก็ เ, เลยเรียกว่าโอปัมมาวักเนี่ยนะวักว่าที่เรียกว่าโอปัมมาวักก็คือวักเกี่ยวกับเรื่องการอุปมาทั้งนั้นเลย อย่างสูตรแรกก็กะกะจูปมะสูตรสูตรที่อุปมาเปรียบประดุดเลื่อยเนี่ยนะเหมือนกับโจรที่มีอะไรนะโจรที่มีใจเฮี้ยมโหดถือเลื่อยสองข้างแล้วก็ลากหรือว่าใช้เลื่อยเนี่ยตัดถ้าผู้ใดยังจิตให้โกรธผู้นั้นก็ไม่ชื่อว่าทําตามโอวาหรือทําตามคําสอนของพระพุทธเจ้านี่สูตรที่สองก็อละคัททูปมะสูตรหรืออละคัทสูตรเนี่ยนะก็สูตรที่เปรียบอุปมาประดุจจับอสรพิษเนี่ยนะ 阿拉คัททูปะมะสูตรนะอ่าขอไปกะกะจูปะมะสูตรเป็นพระสูตรที่เน้นให้เจริญเมตตาเนี่ยนะเน้นพิเศษคือสอนให้เจริญเมตตาย่าหนักย่า ม, มากไปด้วยความโกรธนะถึงจะมีเหตุผลสมควรโกรธก็อยากโกรธแล้วก็มีการอธิบายจำแนกโดยนิยะต่างๆส่วน阿拉คัททูปะมะสูตรนั้นเป็นพระสูตรที่เกี่ยวกับการศึกษาและการปฏิบัติธรรมะเนี่ยนะการศึกษาการเรียนพระธรรมคําสอน ต้องมีเป้าหมายวิธีการที่ชัดเจนว่าเรียนเพื่อความพ้นจากทุกข์ถ้าหากว่าไม่ได้ตั้งใจที่จะเรียนเพื่อความพ้นจากทุกข์อย่างแท้จริงก็กลายเป็นจับอสรพิษที่หางแล้วก็ขณะเดียวกันพระพุทธเจ้าก็สอนธรรมะเปรียบปะด้วยเปรียบเสมอเหมือนกับทุน่นเหมือนกับทุ่นเนี่ยนะเหมือนกับแพเพื่อที่จะข้ามฝากส่วนวิ ม, มกกิตรกสุนี้เป็นสูตรเกี่ยวกับการเจริญสมถะและมิปัสนาเนี่ยนะที่โดยเปรียบเทียบเป็น ปุขลาที่ฐานในสูตรนี้ข้อ289หน้าส2 4ยสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าประทับอยู่ณพระวิหารเชตวันอารามของท่านอนาถปินทิกะเศรษฐีกรุงสาวัตสมัยนั้นท่านพระกุมารกัสสะพักอยู่ที่ป่าอันทวัน ครั้งนั้นเทวดาองค์ใดองค์หนึ่ง ม, มีวระหรือรัสมีงามยิ่งเมื่อราตรีล่วงปฐมมยามผ่านไปแล้วยังป่าอันธวันทั้งสิ้นให้สว่างเข้าไปหาท่านพระกุมารกสปะแล้วได้ยืนอยู่ณที่ควรส่วนข้างหนึ่งแล้ว ค, คือเทวดานะก็กล่าวกับท่านพระกุมารกสปะว่าดูก่อนท่านผู้มีอายุาดูก่อนภิกษุ จอมปลวกนี้พูดถึงอบามาเลยนะจอมปลวกนี้พ่นควันในเวลากลางคืนลุกโผลงเนี่ยนะไฟลุกท่วมในตอนกลางวันพราหมณ์ได้กล่าวอย่างนี้ว่าพ่อสุเมธะเจ้าจงเอาศาสตราขุดไปดูลองขุดดูสิจอมปลวกนี่ทำไมมันเป็นอย่างนี้สุเมธะเอาศาสตราขุดลงไปก็ได้เห็นลิ่มสลักจึงเรียนว่าลิ่มสลักครับ พรามก็กล่าวอย่างนี้ว่าดูก่อนพ่อสุเมธะเจ้าจงยกลิมสลักขึ้นแล้วก็เอาศาสตรานี่ขุดลงไปดูอีกสุเมธาก็เอาศาสตราขุดลงไปก็ได้เห็นอื่งอื่งอ่างนะแล้วก็เรียนว่าอึ่งอ่างครับพรามก็กล่าวอย่างนี้ว่าพ่อสุเมธะเจ้าจงยกอื่งอ่างเนี่ยขึ้นแล้วก็เอาศาสตราขุดดูเข้าไปอีกสุเมธาก็เอาศาสตรานี่ขุดลงไปได้เห็นทางสองเพ่งจึงเรียนว่าทางสองเพ่งครับ พรามก <energy> <master> like er <master> no. ็ก so, ล่าวอย่างนี้ต่อไปว่าพ่อสุเมธะเจ้าจงกดหรือจงขุดทางสองแพร่งนั้นเสียเอาศาสตรานี้ขุดดูต่อไปอีกสุเมธาก็เอาศาสตรานี่ขุดลงไปได้เห็นหม้อกรองน้ําด่างจึงเรียนว่าหม้อกรองน้ําด่างครับพราหมณ์ก็กล่าวอย่างนี้ว่าพ่อสุเมธะเจ้าจงยกหม้อน้ําด่างนั้นขึ้นเอาศาสตรานั้นขุดดูไปอีกสุเมธาก็เอาศาสตราขุดลงไปก็เห็นว่าเต่าครับจึงเรียนว่าเต่า พรามก็กล่าวอย่างนี icer, so ้ว่าพ่อสุเมธะเจ้าจงยกเต่าขึ้นเอาสาตรานี่ขุดดูสุเมธะก็เอาศาตรานี่ขุดดูก็ได้เห็นเขียงหันเนื้อก็เรียนว่าเขียงหันเนื้อครับพราหมณ์ก็กล่าวอย่างนี้ว่าพ่อสุเมธะเจ้าจงยกเขียงหันเนื้อนี่ขึ้นเอาสาตรานี่ขุดดูสุเมธะเอาสาสตราขุดลงไปก็เห็นชิ้นเนื้อก็เรียนว่าชิ้นเนื้อครับพราหมณ์ก็กล่าวอย่างนี้ว่าพ่อสุเมธะเจ้าจงยกชิ้นเนื้อขึ้น เอาศาสตราขุดดูสุเมธาเอาศาสตราขุดลงไปก็เห็นหนาค ก, ก็เรียนว่านาคครับพรามก็กล่าวอย่างนี้ว่าน า, าคจงอครว่านาคขอให้หนาคเนี่ยจงอยู่เจ้าอย่าเบียดเบียนนาคเลยเจ้าจงทำความนอบน้อมต่อนาคดูก่อนพิสุท่านพึงเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าแล้วทูลถามปัญหาสิบห้าข้อนนี้แล ท่านพึงจำพึงทรงจำปัญหาเหล่านั้นตามที่พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงพยากรณ์ดูก่อนพิสุข้าพเจ้าย่อมไม่เห็นบุคคลในโลกพร้อมทั้งเทวโลกมารโลกพรหมโลกในหมู่สัตว์พร้อมทั้งสมณพราหมณ์เทวดาและมนุษย์ที่จะยังจิตให้ยินดีด้วยการพยากรณ์ปัญหานี้นอกจากพระตถาคตหรือสาวกของพระตถาคตหรือเพราะฟังจากสำนักนี้ เทวดานั้นครั้นกล่าวคํานี้แล้วก็ได้หายไปณที่นั้นแลนะก็เป็นเทวดาเนี่ยนะคำว่าเทวดาตัวนี้หมายถึงเท้ามหาเป็นพรมเนี่ยนะเป็นมหาพรมระดับพรมอนาคามีเนีน่ยนะก็ลงมาถามปัญหาอา่ากว่ายกปัญหาหรือแต่งเป็นปัญหาสิบห้าข้อให้พระกุมารกัสปะฟังจริงพระกุมารกัสปะถือว่าเป็นคนฉลาดมากแต่ฟังแล้วท่านก็ไม่เข้าใจหรอกนะท่านก็ พรหมนี่ก็บอกว่าให้ไปถามพระพุทธเจ้านะพระพุทธเจ้าตอบยังไงก็ให้ฟังไว้อย่างนั้นจําเอาไว้อย่างนั้นและปัญหาอันนี้ไม่ต้องไปเที่ยวถามคนอื่นหรอกไม่มีประโยชน์เพราะไม่มีใครตอบได้นอกจากพระพุทธเจ้าหรือสาวกของพระพุทธเจ้าหรือคนที่ตั้งโจดนั่นแหละตอบได้ไปถามคนตั้งโจทย์นั่นแหละจึงจะตอบได้อย่างนั้นเพราะฉะนั้นปัญหาอันนี้ต้องต้องถามให้ถูกที่นะ ไปถามเนี่ยบุคคลในโลกพร้อมทั้งเทวโลกมาราโลกพรมโลกในหมู่สัตว์พร้อมทั้งสมณะพราหมณ์เทวดาและมนุษย์เนี่ยถ้าไปถามนะเขาเครียดกันหมดเลยเนี่ยของเราถ้าไม่อ่านก่อนเนี่ยเราถ้าใครมาถามเราอย่างเงี้ยเราจะตอบว่าอย่างไงไม่มีอะไรจะคุยกันแล้วเหร อ, อนี่ไงอันนี้รักษาชั้นเชิงหน้าดูเลยนะจริงได้ก็ไม่รู้นั่นแหละพูดไม่เป็นเนี่ยไง ครั้งนั้นแลท่านพระกุมารคสปะเมื่อราตรีนั้นล่วงไปแล้วเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าถวายอภิวาแล้วก็นั่งหน้าที่ควรส่วนข้างหนึ่งแล้วได้กราบทูลถามพระผู้มีพระภาคเจ้า ว, ว่าคือกราบทูลเล่าเรื่องให้ฟังว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญเมื่อคืนนี้เทวดาองค์หนึ่งมีวันณนะคือรัศมีงามยิ่งราตรีล่วงปฐมยามผ่านไปแล้วยังป่าอันธวันทั้งสิ้นให้สว่างแล้ว เข้าไปหาข้าพระองค์แล้วก็ยืนอยู่หน้าที่ควรส่วนข้างหนึ่งนะก็ได้กล่าวกับข้าพระองค์ถึงปัญหา15ข้อทีนี้ใจความโดยสรุปว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญอะไรเนาะแลชื่อว่าจอมปลวกอันนี้เป็นคําถามข้อที่1อะไรชื่อว่าจอมปลวกอย่างไรชื่อว่าพ่นควันในเวลากลางคืนอย่างไรชื่อว่าลุกโผลงในเวลากลางวัน อะไรชื่อว่าเป็นพรามอะไรชื่อว่าเป็นสุเมธาอะไรชื่อว่าเป็นสาตราอย่างไรชื่อว่าการขุดอย่างไรชื่อว่าลิ้มสลักอย่างไรชื่อว่าอืงอ่างเยนะอย่างไรชื่อว่าทางสองแพร่งอย่างไรชื่อว่ามอกรองน้ำด่างอะไรชื่อว่าเต่าอะไรชื่อว่าเขียงหันเนื้ออะไรชื่อว่าชิ้นเนื้ออะไรชื่อว่านาคเท่ากับ15ข้อพอดีถ้า15ข้อจอมปลวก พ่นควันในกลางคืนพ่นลุกพลงในกลางวันพรามสุเมธาศาสตราการขุดลิ่มสลักอื้องอ่างทางสองแพ่งหม้อกรองน้ําด่างเต่าเคียงหั่นเนื้อชิ้นเนื้อแล้วก็สุดท้ายคือนาคทั้งหมดนั้นคืออะไรถ้าหากว่าจะให้เข้าใจเนื้อเรื่องราวเนี่ยนะความเป็นมาเป็นไปก่อนที่จะมาเป็นปัญหาอันนี้ก็ต้องดูว่าท่านพระกุมารป่าอันทวันเนี่ยคือป่าแบบไหนป่านี้อยู่ที่ไหน แล้วก็ท่านพระกุมาระกัสสะคือใครเทวดาที่มาถามพระกุมาระกัสสะนั้นเทวดาผู้นี้คือใครนะซึ่งจะกล่าวโดยลําดับในอัตรกรถาสมัยก่อนเนี่ยคำว่ากัสสะมีชื่อคนที่ชื่อกัสสะมีหลายท่านนะสมัยพุทธกาลเนี่ยเช่นท่านกัสสะโคตรยก็มีท่านกัสสะโคตรคต ร, รูปหนึ่ง พระมหากัสสปะอีกรูปหนึ่งแล้วก็เช่นพระกุมารกัสสปะองค์นี้อีกองค์หนึ่งแต่ที่เด่นเลยเนี่ยนะสมัยก่อนเนี่ยอรอุรุเวลกัสสปะนาทีกัสสปะกลุ่มนั้นก็กัสสปะเหมือนกันนะกลุ่มชัดินสามพี่น้องก็กัสสปะโคตรเหมือนกันแล้วก็เนี่ยพระมหากัสสปะกับพระกุมารกัสสปะสององค์นี้มีชื่อเสียงเด่นที่สุดเนี่ยนะในในบรรดาตระกูลกัสสปะทั้งหลายเนี่ยนะ ทีนี้สมัยพุทธกาลเนี่ยที่เขาเรียกว่ากัสสปะโดยเฉพาะคําว่ากุมารเนี่ยใช้กุมารนนาหน้ากุมารก็แปลว่าเด็กนะเด็กกัสสปะนะกุมารกัสสปะหรือกัสสปะผู้ยังเด็กอยู่เนี่ยทำไมอายุมากแล้วก็ยังเรียกว่ากูมารกัสสปะอยู่นั่นแหละนะเรื่องราวของท่านอนประวัติของท่านมาเพิ่มเติมสักเล็กน้อยอย้อนอีกนิดหนึ่งนะถ้าเทียบกับพระมหากัสสปะพระกุมารกกัสสปะก็ชื่อว่ายังเด็ก พร ก, กมหากัสปะเนี่ยท่านบวชตอนอายุเยอะแล้วเนี่ยตอนวัยกลางคนแล้วท่านจึงได้มาบวชส่วนพระกุมารกัสปะเนี่ยนะพระมหากัสปะบวชตั้งนานแล้วท่านเพิ่งเกิดนะท่านเพิ่งเกิดตอนหลังท่านก็ยังเป็นเด็กแต่ก็เรีย ก, กวกัสปะแล้วก็พระราชาเอาไปเลี้ยงก็เลยเรียกว่ากุมารกัสปะเนี่ยนะก็นับเนื่องในคล้ายๆกลุ่มราชกุมารเพราะพระราชาชุบเลี้ยงเนี่ยนะก็เลยเรียกว่ากุมารกัสปะประวัติเรื่องราวในอดีตของท่าน พระกุมารกสปะรูปนี้เนี่ยทำบุญตั้งความปรารถนาที่จะบรรลุมรรคผลมาแล้วแสนกลับเนีนะพาอารหันพิเศษพิเศษทั้งหลายในพระไตรปิฎกเนี่ยนะอย่าคิดว่าท่านทําบุญมาน้อยเลยท่านเหล่านี้โดยมากเนี่ยนะโดยเฉพาะมหาสาวกผู้ใหญ่ทั้งหลายอสีติมหาสาวกนั้นอ่ะแปดแสนอสิแสนกับกันซะส่วนใหญ่ระวังนั้นอาจจะมีบ้างแต่ส่วนใหญ่นี่จะ แสนกับนะนะบางคนก็น้อยใจทําไมไม่บรรลุเหมือนท่านเหล่านั้นแบอบกว่าถามว่าเมื่อแสนกลับที่แล้วทําอะไรนะนะถ้าแสนกลับที่แล้วทาบุญไวด้ดีกับนี้ยังไงก็ตรัสรู้ว่างั้นเถอะแต่ถ้าแหมเมื่อสักแสนกลับหรือหมื่นกลับหรืออะไรก่อนอ่ะนะก็ยังไม่ค่อยจะอะไรเท่าไหรเลยนะกับนี้ก็อย่าพิ่งหนักใจนักเลยนะนะศึกษาก่อนศึกษ า, กกษากให้เข้าใจว่าเออเนี่ยพระอรหันต์ที่เขาเป็นแสนแสนกับมาเนี่ยเขาบรรลุอะไรเขาเจริญวิปัสนาอะไรเจริญวิปัสนาว่า อย่างไรเจริญวิปัสนาแล้วเนี่ยนะท่านได้รับคุณธรรมเหล่าใดอันนี้คือสิ่งที่เราต้องพยายามที่จะหาแนวทางหาหนทางจากพระอริยเจ้าทั้งหลายเหล่านั้นคือการที่เราจะศึกษาข้อปฏิบัติเพื่อบรรลุมรรผลเนี่ยนะเราต้องเอากลุ่มบุคคลที่มาตรฐานที่สุดเป็นเป็นตัวอย่างเป็นอุทาหรณ์ว่าคนที่มาตรฐานจริงๆเลยเช่นพระกุมารกัสสปะเนี่ยท่านเจริญวิปัสนาอะไรและท่านบรรลุอะไร พระมหากรสปะเป็นต้นหรือแม้กระทั่งต่อไปเนี่ยพระสารีบุตรพระปุณณมันตานีบุตรพระอรหันต์ทั้งหลายผู้กล่าววัตถุหรือกล่าวกถาวัตถุหรือเป็นนักเทศหรือพระมกุมารกรสปะเนี่ยนะผู้กล่าวธรรมะได้อย่างวิจิตเนี่ยท่านเหล่านั้นท่านปฏิบัติอะไรแล้วในที่สุดท่านตรัสรู้อะไรท่านตรัสรู้ว่าอย่างไรข้อปฏิบัติของท่านนั้นเป็นอย่างไรอันนี้คือสิ่งที่เราจะต้องพยายามจับหรือว่าใส่ใจเอาไว้ให้ดี โยนิโสมนาสิการทำให้ดี